เปรียบเหมือนกับการหว่านมาเมล็ดข้าวเปลือกลงในพื้นนาหนึ่งกำมือแม้มเมล็ดข้าวนั้นจะเป็นพันธุ์ดีที่พร้อมจะงอกงามในวงเล็บวัตถุทานบริสุทธิ์และผู้หว่านคือกสิกรก็มีเจตนาจะหว่านเพื่อทำนาให้เกิดผลิตผลเป็นอาชีพในวงเล็บเจตนาบริสุทธิ์แต่หากที่นานั้นเป็นที่ที่ไม่สม่ำเสมอกัน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 ก็ย่อมมีวาสนาให้ถูกรางวัลได้หากไม่มีวาสนาเพราะไม่เคยได้ทำบุญทำทานฝากสวรรค์เอาไว้เลยก็ไม่มีสมบัติสวรรค์อะไรที่จะให้เบิกได้อยู่ๆก็จะมาขอเบิกเช่นนี้ก็ยากที่จะถูกรางวัลได้